เหตุใดบางคนจึงเหมือนถูกขีดชะตาให้ต้องเป็นได้แค่บริวารหรือผู้รับใช้ทั้งที่สติปัญญาก็ดีความสามารถก็มากแต่ดิ้นรนเท่าไรก็ไม่อาจมีกินมีใช้เป็นไทยกับตนเองได้กรรมที่เหวี่ยงให้ไปเกิดในตระกูลต่ำต้องเป็นฆ่าทาสบริวารชนิดเลี้ยงไม่ได้ดิ้นรนไม่รอดนั้นได้แก่การกดหัวใช้ผู้ทรงศีลกดหัวใช้พ่อแม่ หรือกดหัวใช้ผู้คนจำนวนมากคำว่ากดหัวใช้ในที่นี้ผมหมายถึงการมีความคิดเหยียดมีใจเย่อหยิ่งจองหองถือสิทธิ์หรือถือโอกาสที่อยู่ในฐานะเหนือกว่าวางอำนาจใช้สอยคนด้วยใจคิดขมขีขมเหงโทษของการกดหัวใช้ผู้คนเยี่ยงทาตเป็นจำนวนมากยังนับว่าเบาวกว่าการกดหัวใช้พ่อแม่ด้วยน้าจิตสกรปรกเห็นพ่อแม่เป็นคนใช้ และการกดหัวใช้พ่อแม่ไปทั้งชาติก็อาจาได้น้ำหนักประมาณเดียวกันกับการกดหัวใช้พระอรหันต์โดยรู้เท่าไม่ถึงการสักระยะหนึ่งบุญด้านอื่นอาจตกแต่งให้รูปร่างหน้าตาดีมีสติปัญญาใช้ได้แต่บาปอันเกิดจากการกดหัวใช้พ่อแม่และพระอรหันต์จะกดดันดวงชะตาไว้ ไม่ให้เพเย่ขึ้นลืมตาอ้าปากเป็นตัวของตัวเองได้ไปทั้งชาติแม้จะเพียรพยายามอย่างหนักขนาดไหนก็ตามเนื่องจากพ่อแม่และพระอระหันต์เป็นของใหญ่ทรงคุณสูงสุดทำอะไรกับพวกท่านไว้เป็นประจำจึงให้ผลคงเส้นคงวาไปทั้งชีวิตในชาติถัดมาแต่ถ้าไหววาเล็กๆน้อยๆในฐานะและโอกาสที่เหมาะสมกับทั้งเป็นไปด้วยความเกรงใจท้อยทีทอยอาศัยอันนั้นก็ไม่เป็นไร ดังเช่นสมัยพุทธกาลก็มีชาวบ้านนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกไปรับพัฒนาหารถึงบ้านหรือกระทั่งนิมนต์ให้ไปโปรดถึงที่อยู่ยามเป็นไข้หนะักซึ่งพวกท่านก็ไม่ขัดแต่อย่างใดและชาวบ้านผู้ทําการนิมนต์ก็ได้บุญขึ้นสวรรค์และใช้เป็นบันไดต่อ ย, ยอดไปถึงนิพพานกันอย่างคลึกโครมขอให้เข้าใจด้วยนะครับว่าทายาจนค้นแค้นเพราะกรรมเช่นตรณีจัด และไม่รักษาศีลจำต้องบากหน้าไปเป็นบริวารผู้อื่นชั่วคราวอันนั้นจะคนละแบบกับบาปที่บีบคั้นให้ต้องเป็นฆ่าทาต ร, รับใช้ไปตลอดเพราะถ้าเกิดในตระกูลต่ำยากจนแต่ขยันทรมาหากินโดยปราศจากบาปบีบคั้นก็ยังมีสิทธิ์ลืมตาอ้าปากได้อย่างคนปกติอื่นๆครับงรา ที่เห็นเป็นทรงจะตายไดคิดที่วิถีผู้คนอาจเคยน้อยใจและยังสับสนกับปัญหามากลายวนเวนไม่เกิดกระฉันได้